แดนนี้ไม่น่าที่จะมีพมา่ายกทัพมาเลยผมพูดขณะที่วิชัยกับผมลงจากรถที่หน้าองค์ J จดีของดอน J จดีแกหมายถึงว่าเป็นแดนที่แห้งแล้งใช่ไหมละ่ะวิชัยถามผมอย่างอย่างความเห็นก็นั่นน่ะสิฉันเพิ่งดูเป็นครั้งแรกก็เชื่อว่าเมื่อสมัยโน้นเนี่ยคงแห้งแล้งจริงๆอย่างที่ทางภูมิศาสตร์พูดไว้เลยผมพูดในขณะที่กําลังเหลียวมองดูสถานที่บริเวณนั้นไปรอบๆ เออมันก็แห้งแ้งจริงๆอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ว่าเท่าที่มองดูมันก็พอมีต้นไม้กลาดเกลื่อนอยู่บ้างนะมันก็เฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้เล็กๆแล้วก็ต้นย่าเนี่ยไม่มีเลยวิชัยพูดแล้วควักปุรีจุดสูบย่าก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีแล้วเจ้าช้างเจ้าม้าในกองทัพเนี่ยมันจะเอาอะไรกินกันล่ะผมพูดบางทีพมา่าหลงเข้ามาโดยไม่ทันคิดกระมัง หรือไม่ก็อาจจะคิดว่าเป็นทางลับนี้ทางไทยไม่ระวังก็ได้ก็เลยแอบเข้ามาวิชัยออกความเห็นบ้างปะงั้นเราเองก็ไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าผมพูดนําทางสิพอเจ้าของท้องถิ่นสุพรรณก็ไม่มีอะไรหลอกนอกจากจะเข้าไปดูเนินเจดีเก่าที่อยู่ภายในองค์นอกครอบอยู่วิชัยว่าเราเข้าไปดูภายในองค์เจดีกันเจดี JD เก่านั้นก็เหลือเพียงซากกองอิดหั ก, หก สมเป็นกองเป็นเนินอยู่เท่านั้นตัวผมเองไม่ถนัดทางประวัติศาสตร์นักเมื่อดูแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไปอีกในสมองถ้าผมมีความรู้เพียงพอเทียบเคียงค้นคว้าได้เพียงพอกับประวัติศาสตร์ก็จะสนุกแก่ตัวผมเป็นอันมากผมตั้งใจติดตามนายวิชัยมาครั้งนี้ก็มุ่งแต่จะดูสถานที่ของสุพรรณบุรีเพียงที่วรรณคดีขุนช้างขุนแผนกล่าวไว้เท่านั้นไม่ใช่มาดูประวัติศาสตร์ เรื่องของดอนเจดีนี้ย่อมเป็นของสำคัญของนักค้นคว้าทางประวัติศาสตร์จึงไม่สำคัญกับผมเท่าไหร่นักผมเป็นนักฝันจึงชอบวรรณคดีที่มีความหลังความเก่าอันวังเวงพอจะให้ผมฝันได้ง่ายๆตามคำของกวีที่ท่านกล่าวไว้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยผมจะฝันเองเล่นเองคิดเองนั้นย่อมไม่ได้ ของเป็นหลักฐานจะต้องระวังว่าให้ถูกต้องเท่าที่รู้ตามที่ได้อ่านมาในประวัติศาสตร์ของดอนเจดีถ้าผมจะฝันก็ฝันเห็นว่าตอนนั้นช้างทรงช้างศึกขององค์พระนเรศวรผู้เป็นประมุขของไทยกำลังตกมันได้วิ่งแตกฝูงช้างอื่นมาแต่โดยลำพังและที่ตรงนี้แห้งแล้งต้นน้ำต้นหญ้าก็ไม่ค่อยมีจึงมีฝุ่นมากมายเมื่อช้างวิ่งมาฝุ่นก็กลบไปหมด ต่อเมื่อรั้งช้างหยุดได้แล้วฝุ่นก็จางลงจึงรู้สึกพระองค์ว่าได้หลุดมาเดี่ยวในกลางทับช้างฝ่ายพมา่าครั้นมองไปเห็นพระมหาราชาแห่งพมา่าทรงช้างพักอยู่ใต้ร่มไม้ก็เลยร้องท้ารบไปเพราะว่าไหนๆก็เข้าดงเสือแล้วก็อยู่ใจกลางเสือซะด้วยโดยเปล่าเปลี่ยวไหนไหนก็ไหนๆแล้วชาตินักรบก็ต้องชวนรบเลยเพราะว่ามุ่งหน้ามาจะรบอยู่แล้วครั้นเมื่อรบแล้วฝ่ายพม่าก็ตาย ผมก็ฝันได้แค่นี้เองและก็เป็นฝันตามที่ได้เคยอ่านมาเท่านั้นจะฝันเลยไปอย่างฝันในวรรณคดีไม่ได้ยิ่งอ่านตอนใดวังเวงจับใจก็ฝันเอาจนสมใจตัวเองเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่มีค้นคว้าจับข้อเท็จจริงกันละผมอ่านวรรณคดีขุนช้างขุนแผนที่มีสถานที่หลายแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีฝากประกอบไว้จึงเกิดอยากจะเห็นสถานที่เหล่านั้นให้ชื่นใจ ไม่มีอะไรจะดูอีกแล้วในตำบลดอนเจดีเราจึงกลับขึ้นรถเพื่อเข้าเมืองผมคิดขอบคุณรัฐบาลเหลือเกินที่ได้ทำการสร้างองค์เจดีขึ้นใหม่ครอบทับองค์เก่าไว้จึงเป็นที่ระลึกแห่งสำคัญของประวัติศาสตร์ถ้ามิฉะนั้นจะไม่มีใครได้มาชมเชยเลยถ้าจะนับว่าอยู่กลางป่าก็ว่าได้ถ้าไม่มีถนนที่ไหนจะมีทางมาได้สะดวกแบบนี้ และที่สำคัญของวีรบุรุษไทยได้สร้างไว้กับประเทศก็จมอยู่กลางป่าเฮ้ยอุทิศฉันจะพาแกไปกินข้าวร้านหนึ่งเว้ยฝีมือพ่อครัวเนี่ยเด็ดนักละวิชัยพูดว่าแล้วก็ชะลอรถเครื่องแถวร้านจอแจแต่แล้วกลับเร่งเครื่องต่อไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวเว้ยเกือบลืมไปแฮะวิชัยพูดขณะที่ขับรถมาเดี๋ยวไปตลาดก่อนแกมาสุพรรณบุรีนะ ถ้าไม่ได้กินปลาบูก็เหมือนไม่ได้มาสุพรรณและก็ไม่ได้กินอาหารชั้นเลิศว่ะเอ๊ยเดี๋ยวนะคนไทยเขาถือกันไม่ใช่หรือวะเขาบอกว่าถ้ากินปลาบูเนี่ยก็เท่ากับกินปลาบูทองในนิยายนั่นแหละผมยาวเล่นเพ่อนักธุรกิจหัวเราะถ้าแกถือนนะฉันเนี่ยจะกินแกเองฉันคิดว่าปลาบูมีมาในเมืองไทยนี่หลายพันปีแล้วแต่ว่าวรนดีเรื่องปลาบูทองเนี่ยเพิ่งจะมีขึ้น วิชัยพูดแล้วก็หวัวเราะอีกก็เป็นกันซะอย่างเนี้ยคนไทยเนี่ยมัวแต่สงสารตามเรื่องนิยายชาวจีนเขาก็เลยกินปลาบูอย่างสบายใจใครเอาไปขายที่ตลาดชาวจีนนี่กวาดเรียบวุฒเลยแกเอ้ยเนื้อมันวิเศษนักนอกจากเนื้อปลากำพวดปลาตีนตัวโตๆแล้วไม่มีเนื้อปลาอะไรเทียบมันได้เลยว่ะเอ๊แต่ว่าปลาบูเนี่ยตามนิยายเขาว่าเป็นเมียหลวงของชาวประมงนะเวย้ยเมียน้อยเนี่ย เห็นว่าทำมนใส่ผัวผัวก็เลยหลงก็เลยรักหึงหวงเมียน้อยจนงหวหัวไม่ขึ้นเลยวะ่ะตีเมียหลวงเนี่ตกน้ำตายแล้วเกิดมาเป็นปลาบูเนี่ยถ้าเรากินปลาบูเราก็เท่ากับว่าเป็นพวกของเมียน้อยนะสิว่ะเพราะว่าเมียน้อยจับปลาบูกินผมแย้งเล่นตามนิยายเอาละเอาละแกไม่กินเดี๋ยวฉันกินเองวิชัยพูดเราสองคนเดินเข้าตลาดไปด้วยกันวิชัยพาไปทางตลาดปลา วิชัยซื้อปลาบูตัวขนาดใหญ่มื่อืมาได้สองตัวผมมองดูแล้วก็ชักสงสยัยซึ่งในขณะที่เดินกลับมาที่รถผมก็เลยถามเขาว่านี่แกจะไปตั้งครัวที่ไหนวะถึงจะกินปลานี้ได้เนี่ยผมถามอ๋อ oh, มันมีครัวอยู่หลายแห่งปเดี๋ยวแกก็รู้แหละว่าครัวอยู่ไหนวิชัยพูดแล้วก็เอาปลาใส่รถเราสองคนก็ขึ้นนั่งดังเก่า วิชัยขับรถตรงมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเราก็หยุดรถที่หน้าร้านแล้วตรงเข้าร้านนั้นเจ้าของร้านทักทายกับวิชัยดีเพราะว่าเขากว้างขวางในจังหวัดสุพรรณบุรีทำน้ําขาวเส้หนึ่งแล้วก็ต้มยํเส้นหนึ่งวิชัยสั่งเจ้าของร้านแล้วก็ส่งปลาบู่ให้กับมือวันนี้มีอะไรดีๆก็ขอบ้างละกันนะครับที่กินกับเหล้าอร่อยๆนะ่ะเขาสั่งกับข้าวต่อไป เขาดื่มเหล้ารอคอยอาหารไปก่อนแล้วก็คุยเรื่องวรรณคดีบ้างเรื่องประวัติศาสตร์บ้างชักจะออกรถออกชาติดีพอควรเอ๊ะทำไมหนะ้าชาวสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ค่อยหลบรถเวลาเดินบนถนนเขาเปิดแตรเสียงดังก็ยังนิ่งเฉยกันอยู่เลยผมพูดขึ้นวิชัยก็เลยหัวเราะพร้อมกับตอบว่า คนที่นี่เนี่ยอาจจะคิดว่าทั้งคนเดินถนนแล้วก็รถก็ย่อมมีสิทธิ์บนถนนด้วยกันต่างคนต่างถ้อยทีถ้อ ย, อ, ยอาศัยกันละมั่งเออนั่นนะสิผมเสริมการขับรถที่นี่ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะถ้าทำขับอย่างกรุงเทพเนี่ยมีหวังติดคุกติ ด, ต, ดตารางเสมอกันไปวิชัยพูดในขณะนั้นที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่ เพื่อนๆของวิชัยก็มาพบเข่าเลยเข้าผสมวงคุยกันเป็นการใหญ่ทั้งอาหารที่สั่งไว้ก็มาพอทันกันเป็นความจริงอย่างวิชัยว่าปลาบูเนื้ออร่อยดีจริงๆผมรับประทานไปก็คิดไปอดจะชมเชยฝีมือพ่อครัวร้านนี้ไม่ได้ทั้งอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปรุงรสปลาบูก็อร่อยยิ่งนะัก แม่น้ำนี้ยังอุดมสมบูรณ์ที่จะเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงชาวสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดีสมแล้วกับคำโบราณที่ถามกันว่ากินข้าวกินปลาแล้วหรือยังนี่เป็นการประกันว่าคนไทยเราอาศัยอาหารปลามากกว่าอย่างอื่นในครู่นั้นพ่อครัวส่งกุ้งขนาดใหญ่เผาแล้วก็หันไว้เป็นคําเรียงกัน รวมทั้งฝานแตงกวาไว้เป็นชิ้นๆพอดีคำเหมือนกันไว้ข้างๆแล้วก็มีพริกขี้หนูโรยน้ำปลาโรยแล้วก็บีบมะนาวใส่อร่อยถึงใจดื่มเหล้าแล้วจะกุ้งเผานี้เนี่ยแกล้มเข้าไปมันรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเราแท้ๆเพื่อนคนหนึ่งของคุณวิชัยรู้ว่าผมมาสุพรรณคราวนี้ก็เพราะว่าสนใจในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเขาก็เลยคุยถึงตาบลที่กล่าวไว้ในเรื่องว่ามีตาบลใดบ้าง และที่สะดุดใจมากก็คือตำบลบ้านท่าพี่เลี้ยงซึ่งเป็นตำบลบ้านของแม่พิมพ์หรือแม่วันทองและบ้านรั้วใหญ่ที่เป็นบ้านขุนช้างฟังแล้วอยากดูขึ้นมาตงิดตงิดเพราะว่าสามารถที่จะผ่านวัดป่าเลไลที่เป็นวัดสำคัญในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนที่สุดเพราะเป็นที่อาศัยของเนนแก้วหรือว่าขุนแผนเมื่อสมัยรุ่นหนุ่มถ้าคิดถึงเนนแก้วก็ต้องคิดถึงวัดนี้ ข้ามานี่ผมได้แวะเข้านมัสะการพระในบทสะพอใจแล้วก็เที่ยวมองหมู่กุฏิแล้วก็สาลาการประเรียนแต่จะใช่ของคนในสมัยนั้นๆหรือไม่ก็ไม่ได้สนใจเพียงได้ดูได้มองก็ครื้มใจที่สุดนึกเอาว่าพระเอกของเรื่องได้อยู่ตรงนั้นตัวโกงอยู่ตรงนี้ก็เป็นการวังเวงสาหรับนักเพ้อฝันในวรรณคดี กว่าการกินเฮฮังเราจะสิ้นสุดลงเวลาก็เย็นมากวิชัยว่าคืนนี้เดือนหงายขับรถสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องกลับในคืนนี้เพราะว่าเมียเขาคอยอยู่บ้านญาติที่นครปฐมก่อนที่จะพ้นสุพรรณไปจะแวะให้ชมตำแหน่งแห่งที่มาของขุนช้างขุนแผนจนอิ่มตาแต่สภาพที่นั่นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเวลาก็ยังดีสมใจ เราสองคนได้แยกย้ายกันกับเพื่อนๆของวิชัยที่ย่านการค้าแห่งนี้และสักพักหนึ่งก็เหลือเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นจึงเอ่ยปากชวนกันขึ้นรถแล้วก็ขับรถตรงเข้าสู่นคปรปฐมแต่พอขับรถมาหยุดตรงลำคลองที่น้ำตื้นๆแห่งหนึ่งนายวิชัยก็ชี้ให้ดูว่านี่คือตำบลท่าพี่เลี้ยงผมใจหายวูบนั่นคือตำบลบ้านแม่พิม ผมก็ฝันด้วยความวังเวงย้อนหลังไปสมัยที่แม่พิมพยังอยู่ภาพก็เกิดขึ้นเลื่องๆองในห้วงความคิดของผมเห็นแม่พิมพกับบ่าวไพร่ฝ่ายหญิงลงมาอาบน้ำที่ท้องคลองพวกบ่าวไพร่ก็เล่นกันจนเลยเถิดวิ่งไล่จับกันสนุกสนานจนภาาผ่อนหลุดไม่ติดกายอีกพวกคลองด้านหนึ่งก็มีขุนช้างกับบ่าวไพร่ากาลังแอบดูที่ซุ้มไม้พวกบ่าวไพร่ก็ออกปากกันงุนง่าน เวลานั้นแม่พิมพ์ขบขันฆ่าธาตุนางเองก็หัวเราะตัวเอ็นไปจนผ้าห่มเพลจากรักแร้จนเห็นถันของนางแลบออกมาคุณช้างร้องครางว่าโอ้อแม่เอ้ยวันนี้กูตายแล้วก็เอามือตนเองบีบท้องน่องตัวเอง ผมนึกยกย่องท่านกวีเอกที่แต่งเรื่องนี้ไว้ช่างวางนิสัยของขุนช้างไว้เหมาะสมกับรูปร่างซึ่งเป็นนิสัยที่ผิดกันไกลกว่าขุนแผนเป็นไหนไๆอีกทั้งนิสัยตัวละครทุกๆตัวก็วางไว้ผิดกันคนละอย่างต่างกันจนผู้อ่านแลเห็นจริงเห็นจังไปด้วยวิชัยเห็นผมเคลิมอยู่ตำบลท่าพี่เลี้ยงพอสมควรจึงชวนนั่งรถผ่านบ้านแถวขุนช้างที่เรียกว่าบ้านรั้วใหญ่ ผมก็มองไปตามที่เขาชี้อย่างฝันฝันตรงที่ชี้นั้นจะไม่ใช่ผมไม่กังวลใจในยามเย็นตะวันอ่อนหัวใจเคลิ้มวังเวงแทบว่าภาพทุกตอนทุกมุมของเรื่องนี้ได้ผุดขึ้นในสมองผมขุนช้างถ้าจะไปไหนก็มีข้าทาสบริวารตามหลังกันพรั่งพรูออกรัวบ้านไปครั้นเวลากลับก็เมาเหล้าเปะปะเข้ามาบ้านดาทอเขน็นโคดเง้าเหล่าก็ขี้ข้าเล่นสบายปากและในะที่สุด รถของเราก็ได้วิ่งมาถึงวัดป่าเลไลอีกครั้งหนึง่งผมมองไปที่ศาลาทำบุญนั้นจะใช่ศาลาเก่าก็หาไม่ได้ภาพการทำบุญได้ผุดกับตาแล้วก็ห่วงความคิดตอนแม่พิมพกับเป่าไพรแล้วก็แม่สายทองมาตักบาทเนนแก้วนั่งที่ระเบียงบนศาลาแม่พิมพ์ตักบาดมาถึงตรงเนนแก้วก็สงสัยว่าเอ๊เหมือนเคยรู้จักกันก็ตักข้าวตักกับสายให้ซะจนล้นโถล้นบาต เนนแก้วเคืองใจก็เลยเงยหน้าขึ้นดูครั้นพบเห็นเข้าก็เข้าใจได้ว่าแม่คนนี้เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจากไปซะนานกลับมาพบช่างสวยบาดใจครั้นทอดตาไปทางหมู่กุฏิพระในยามแสงสลัวๆก็เห็นภาพเนนแก้วกําลังนั่งรำพึงคิดถึงแม่พิมพ์ด้วยความรักที่เกิดขึ้นผมถอนใจด้วยเห็นใจหนุ่มสาวในสมัยนั้นถ้านับระยะทางจากวัดมาถึงบ้านแม่พิมพในสมัยนี้ นั่งรถไปสูบบุหรีเพียงเครื่องมวลก็ถึงแต่สมัยโน้นย่อมรู้สึกว่าไกลนักยิ่งบ้านเมืองไม่เจริญทางเดินก็เหมือนป่ามีเสียงเรารายริ่งร้องไปทุกต้นไม้ใหญ่อุทิศเราเดินทางกันเถอะเนี่ยมันยังอีกไกลเลยนะวิชัยเตือนผมผมมองไปที่โบทอีกครั้งแล้วก็ถอนใจอย่างบอกไม่ถูกว่าถอนใจทำไมแสงอาทิตย์หมดไปแล้วแสงเดินมาแทนลาก่อนเมืองของแม่วันทอง ผมนั่งนิ่งมาตลอดทางเพราะว่ายังฝันถึงตําบลต่างๆที่ผ่านมาฮ <hum> น่าเสียดายนะวิชัยเราเองก็มีเวลาน้อยไปหน่อยสําหรับเมืองในวรรณคดีแบบนี้เอานะเอานะเอาไว้วันหน้าก็ได้ยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วแหละเมืองเนี้ฉันมาบ่อยจะตายไปเพราะว่าธุรกิจที่จะทําแก <c oughs> เองก็เหมือนกันนะอุทิศแกจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะว่าฉันก็มาอยู่แล้วอ๋อก็ฉันยังเห็นสถานที่ท <c oughs> ี่กล่าวไว้ในเรื่องไม่หมดเลยนี่นา วันหน้าเถอะนะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูให้ทั่วแต่ว่าตัวของแกเองก็พอจะรู้แล้วนี่ว่าแกจะเอาอะไรแน่กับข้ออ้างในการประพันธ์เขาเพียงฝากไว้กับสถานที่นั้นก็เท่านั้นเองแต่จะจริงไม่จริงเนี่ยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะถูกแล้วล่ะวิชัยแต่ว่ามันก็ฝันไปได้อย่างสบายๆตามสันดานของฉันน่ะนะผมพูดต่อนนั้นมาผมก็นั่งคลึมๆ ม, มาตลอดทางจนถึงตำบลอู่ทอง พอเลยมาหน่อยวิชัยก็ทักว่าผมนิ่งไปไม่พูดอะไรบ้างเลยจะพลอยทําให้เขาง่วงช่วยคุยเป็นเพื่อนเขาหน่อยผมจึงนึกขึ้นได้ว่าการขับรถในทางเปลี่ยวโดยคนเดียวไม่มีการคุยกันเลยทําให้ง่วงนอนได้และภัยที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเผลอสติไปเพียงเสี้ยววินาทีก็หมายถึงความตายผมเลยนําเอาเรื่องประวัติศาสตร์ตอนดอนเจดีขึ้นมาคุยกันเพราะว่าเป็นตอนที่ดุเดือดสมกับเป็นนักเลงนักรบ ในช่วงครู่นั้นเองก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือข้างหน้าเรายังอีกห่างไกลาตามแสงไฟหน้ารถเราที่ฉายพุ่งออกไปอย่างแรงนั้นมีภาพการทุรักทุลีของใครคนหนึ่งกำลังลากอะไรข้ามถนนไปจากฝากหนึ่งเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝากหนึ่งวิชัยได้เบาเครื่องลงแบบฉับพลันเพราะว่าการลากของข้ามถนนของผู้นั้นได้ลากมาหยุดขวางถนนซะดือด้อโดยคนลากนั้นจะหมดแรงลากไม่ไหว ลงท้ายก็หยุดยืนหันหลังให้รถเราเฉยๆเมื่อเราใกล้เข้าไปก็ต้องหยุดเห็นสิ่งที่เขาลากข้ามถนนได้ชัดว่าเป็นเลื่อนสิ่งนี้เป็นพาหนะบรรทุกเข้าเปลือกที่ชาวนาใช้ควายลากด้วยกำลังมันไม่มีล้อเหมือนเกวียนมันเป็นไม้สองท่อนที่ทำงอนหัวงอนท้ายแทนลูกล้อถ้าลากไปกับหัวซังต้นข้าวมันก็จะลื่นทาให้ลากได้เบา แต่ถ้ามาลากบนถนนมันก็จะหนักถ้าไม่ใช้ควายลากแต่ว่านี่เป็นคนลากก็หนักแรงพอสมควรทั้งคนลากนั้นก็เป็นผู้หญิงซะด้วยแม่คนนั้นก็ยกมือให้เราหยุดผมมองวิชัยแล้วก็มองหน้ากันเพราะว่าการหยุดรถในเวลาค่ำคืนในหนทางเปลี่ยวแบบนั้นไม่ควรทำทีเดียวถ้ายังไม่อยากหมดเนื้อหมดตัวจริงๆจริงอยู่ผู้ที่ให้เราหยุดนั้นเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวแต่เราจะรู้ได้อย่างไรละ่ะ ว่าข้างๆถนนเนี่ยมันมีซุ้มไม้อยู่นั่นจะมีใครที่แอบซุ่มอยู่พอเรามองไปที่เลื่อนเพื่อตรวจดูว่าบรรจุอะไรทันทีเราเองก็ชะโงนใจแล้วก็เฉลียวใจขึ้นว่าเราจะถูกปล้นซะแล้วในเลื่อนที่ลากมานั้นเป็นคนห่มผ้าทาเป็นนอนนิ่งแน่ๆมีผ้าคลุมโปงเหมือนหนาวจัดรถว่างไหมคะผู้หญิงลากเลื่อนร้องถามเราด้วยเสียงเหนื่อยอ่อนทาไมล่ะครับ ตัวของผมเองร้องถามเธอออกไปด้วยใจนึกจะไหวทันว่าเรากำลังจะเข้าตาลำบากซะแล้วรถเราถ้าจะหลีกไปก็ยากเพราะว่าเลื่อนนั้นถอดขวางเกือบเครื่องถนนและทางหัวเลื่อนมีคานที่ลากนั้นยาวมากซ้ำแม่คนที่ลากเลื่อนยังอยู่สุดคานลากนั้นอีกจึงเต็มถนนพอดียากแก่การที่เราจะหลบหลีกไปได้ฉันจะขอฝากคนเจ็บหนักไปส่งโรงพยาบาลนครปฐมด้วยค่ะ ผู้หญิงคนนั้นพูดอ๋อฉันไม่ได้ไปนครปฐมวิชัยเป็นคนปฏิญาณไหวพริบฉันจะไปแค่กำแพงแสนนี่เองผู้หญิงคนนั้นได้ยินเราตอบดังนั้นก็นิ่งงนันดูตามรูปร่างของแกคเนว่าอายุน่าจะยังสาวยืนทอดอะไรช่วยไปหน่อยก็ไม่ได้หรอคะแกพูดต่อนึกว่าเอาบุญคนแก่คนเจ็บเถอคะค่ะเรามองหน้ากันอย่างไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าตามคำที่แกพูดมานั้นก็น่าที่เราจะทําการช่วยเหลือซึ่งเกี่ยวกับความเมตตาแต่ถ้าพูดถึงการวิ่งรถเวลากลางคืนแล้วผิดหลักจะรับใครกลางทางช่วยเหลือใครกลางทางนั้นมันยากยิ่งเคยหมดตัวเพราะเข้าตาจนมามากรายแล้วแต่ใจนึงก็คิดว่าเราหยุดรถมานี่หลายนาทีแล้วถ้าจะมีการต้นสะดมก็น่าจะมีแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ทว่าเราสองคนรับแกบไปจริงๆแล้วแกเกิดขอร้องให้เราหยุดอย่างที่ใดที่หนึ่งเราสองคนเองก็อาจจะโดนดีตรงนั้นก็ได้จะมีพวกวิ่งพลูกันออกมาจากป่าสองข้างทางยึดรถเราแล้วก็ตัวเราแล้วเราจะทําอย่างไรเล่าวิชัยเป็นคนใจแข็งพอด้วยว่าเป็นนักธุรกิจวิ่งรถผ่านเมืองไกลเสมอย่อมระมัดระวังตัวก็เลยตอบไปว่าฉันมีธุระร้อนจริงๆทําอย่างนั้นไม่ได้หรอก มันเกี่ยวกับการเป็นการตายเหมือนกันนะแม่หญิงคนนั้นยืนก้มหน้านิ่งไม่พูดว่าอะไรหลีกทางฉันหน่อยสิฉันทุระร้อนจริงๆวิชัยพูดดูนี่สิคะคุณแม่นั่นว่าคนเจ็บแท้ๆยังไม่ช่วยพูดแล้วก็เปิดผ้าคลุมโปงนั้นออกให้เห็นสภาพคนเจ็บที่เขาว่าแสงไฟเราสว่างจ้ามองเห็นถนัดผมและวิชัยสะดุ้งทั้งตัวนั่นมันศพแท้ๆไม่ใช่คนเจ็บอย่างที่พูด ศพนั้นมีผ้าพันตัวแล้วก็เชือกตราสังมัดอยู่ส่วนตอนหน้านั้นเปิดเห็นถนัดมันเป็นศพแห้งตายซากมีกระดูกบางส่วนโผล่ออกจากเนื้อที่แห้งกลางนั้นเบ้าตากลวงลึกอ๋อนี่ย้ายศพกันแบบนี้เหรอผมตะโกนถามด้วยความโกรธด้วยนึกสะอิดสะเอียนมนุษย์อะไรมีปากพูดมาได้ว่าขออาศัยรถใครละ่ะจะลงทุนเอารถไปขนศพให้หลีกทางสิผมตวาดออกไปอย่างโทโซที่สุด แม่คนนั้นไม่พูดอะไรก้มลงจับคานเลื่อนเพื่อที่จะเดินออกไปช้าๆเลื่อนไปทีละน้อยอย่างยากเย็นมีทีท่าโกรธเราไม่ยอมหันหน้าดูเราเลยก้มหน้าลากยักแยยักยันดูแกไม่ค่อยจะมีแรงการหลีกทางของแกจึงชักช้ามากอยากไปเร็วๆก็ลงมาช่วยฉันลากสิแม่คนนั้นพูดอย่างแดกดันเราทั้งสองคนทางไม่หันหน้ามามองทางเราด้วย ศพที่นอนบนเลื่อนโดนแรงที่ลากบ้างหยุดบ้างขยักขย่อนก็กระเทือนจึงกรอกหน้ากลอกตาหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะกขยแยงอย่างนั้นเหตุใดเราสองคนอยู่ดีๆจะไปลากศพโดยใช่เรื่องแต่ครั้นจะหันหัวรถไปทางคนลากแล้วรีบพุ่งรถไปถ้าหากเคราะหไปโดนแก่เข้าเราไม่แย่หรือหากจะตัดสินใจหักพวงมาลัยไปทางท้ายเลื่อนแล้วก็ออกวิ่งและถ้าไม่พ้นล่ะโดนเอาศพเข้าก็จะเลอะเทอะกันใหญ่ จำเป็นจริงๆที่ต้องเดินเครื่องรอคอยการลากของแกที่ค่อยๆพ้นไปทีละฝ่ามือดูๆว่าจะมีกลิ่นศพโชยออกมาศพอะไรอะ่ะทำแปลกๆวิชัยตะโกนออกไปแม่คนนั้นคล้ายแกจะขบขันตัวเองหรือขบขันเสียงตะโกนของวิชัยแกก็หัวเราะลั่นหัวเราะไปก้มหน้าก้มตาฉุดไปพอแกลากพ้นไปพอมีทางเราจะผ่านได้แกก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะกับเรา ผมแทบช็อกคารถแม่ขนลากเลื่อนตอนแรกแกก็สาวๆนี่เองแต่บัดนี้ที่ตาเราเห็นก็คือซากศพเหมือนกันอ้าปากที่มีฟันในปากอย่างกระพร่องกระแพร่งหัวเราะก้องถนนวิชัยใจแกร่งแท้ๆเขากระชากรถออกวิ่งแทบกระโจนเพราะเครื่องเปิดเบาๆไว้ตลอดเวลาเย่ศพตายซากหัวเราส่งท้ายเราซ้าร้ายกว่านั้นศพที่นอนอยู่ในเลื่อนกลับลุกขึ้นนั่งหัวเราะผสมไปด้วย ผมไม่เคยกลัวอะไรถึงขนาดนี้ถึงกับร้องออกมาอย่างไม่เป็นเสียงคนวิชัยเหยียบน้ำมันจนลมปัดหูดังอู้เราจะหนีพิศสตมาไกลแค่ไหนไม่คำนึงถึงวิชัยเป็นคนแกร่งที่ควรบูชาสติไม่เสียในการขับรถรถพุ่งชนไปตามถนนราวกับเรือบินเราผ่านกำแพงแสนไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่นึกว่าจะเป็นไปได้แต่ท่านใดนั่นเองเราทั้งสองก็ต้องสะดุ้งโยงไปอีก ข้างหน้าเรามีรถเก๋งจอดขวางทางและก็มีคนหลายคนกำลังชุนลมุนเข้าประคองกันอยู่พันละวันเราต้องเบาเครื่องลงแล้วก็หลายคนนั้นยกมือขอให้เราหยุดเสียงระเบงเสียงแสต่างพูดเสียงแปลงตามแบบสุพรรณได้ความว่ารถคันนั้นถูกปล้นชาวบ้านได้ออกมาช่วยคนที่ถูกปล้นรอดตายได้สองคนเป็นหญิงส่วนชายอีกสองคนตายคารถเพราะหึดสู้ พวกปล้นเก็บเงินเก็บทองและเครื่องแต่งตัวไปได้พอสมควรพวกชาวบ้านขอร้องให้นำผู้หญิงเข้าแจ้งตำรวจที่นครปฐมส่วนคนตายในรถนั้นแต่ต้องไม่ได้ต้องรอคอยตำรวจเรากำลังวิ่งหนีปีศาจมาหยกๆยกมาโดนเหตุการณ์เข้าอีกอย่างนี้ถึงกับใจเต้นดังตีกลองเตรียมนำผู้หญิงสองคนที่เอาแต่ร้องไห้ เพื่อที่จะรีบบึงเข้าไปที่สถานีตำรวจที่จังหวัดนครปฐมนายวิชัยคงทำความเร็วได้ดีตามเคยผมถามหญิงสองคนนั้นว่าถูกปล้นอย่างไรแกร้องไห้ไปเล่าให้ฟังไปแกบอกว่าแกมีธุระด่วนรีบมาสุพรรณกับสามีและหลานชายไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเห็นมีรถแท็กซี่วิ่งตามหลังมาก็อุ่นใจดีในยามค่ำคืน แต่พอถึงตำบลที่เกิดเหตุรถแท็กซี่ที่ตามหลังได้เปิดแตรขอทางแล้วเร่งความเร็วหลีกขึ้นหน้าและโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแท็กซี่คันนั้นก็หักรถขวางหน้าเราหยุดแทบไม่ทันทางฝ่ายแท็กซี่ได้ลงจากรถมายืนที่ถนนหลายคนถือปืนร้องตะโกนให้เราทั้งหมดลงจากรถพวกฉันก็รีบลงแต่สามีฉันกับหลานชายได้ชักปืนออกไปยิงถูกที่สาคัญ มันก็เลยยิงใส่สามีแล้วก็หลานชายของฉันเป็นหาฝนก็เลยตายขารถส่วนฉันสองคนถูกกวาดทองหยองเงินบาทไปหมดแล้วมันก็ยังถอดข้าวของแล้วก็เงินทองที่ติดตัวผู้ตายอีกไปทั้งหมดด้วยกลับขึ้นรถแล้วก็หนีไปมันวิ่งกลับมาทางถนนใหญ่แต่ไม่ทราบว่ามันจะไปนคนปรปฐมหรือว่าจะไปทางราชบุรีจาเบอร์รถได้ไหมครับวิชัยถามจาได้ค่ะผู้หญิงอีกคนนึงตอบดีเลยครับ เราได้ถึงสถานีตำรวจนคนปรปฐมโดยรวดเร็วพาแม่หญิงสองคนนั้นเข้าพบตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องแล้วก็ลาแยกทางวิชัยหยุดรถที่ร้านเหล้าเอาเหล้ามาเปิดขวดดื่มเพียวๆสองทีซ้อนผมก็ดื่มตามอย่างเดียวกันใจยังไม่หายสัน่นจะดื่มเติมโซดาไม่ไหวขอริ์เหล้าช่วยเร็วๆหน่อยตามปกติเราดื่มไม่ได้แบบนี้เลยแต่เท่าที่ดื่มได้ก็เพราะว่าขวัญเราหายกันไปหมดถูกผีหลอกมายกยก ก็มาพบการปล้นกันขึ้นอย่างจังถึงกับมีการตายเกิดขึ้นใจเราก็เลยระส่ำระสายอยู่ในระดับไม่ปกติเราดื่มกันหลายกงจึงออกรถต่อไปทางด้านข้างตลาดโน้นไปบ้านญาติของเมียวิชัยถูกต่อว่านิดหน่อยว่าล่าช้าเราก็เลยรีบอธิบายว่าเท่าที่รอดมาได้เนี่ยก็เป็นบุญนักชั้นแรกถูกผีหลอกอย่างจังหนีมาได้อย่างตั้งสติ ถ้าข้อไม่แข็งก็คงมีหวังรถควม่มหรือไม่ก็ตกข้างทางตายซ้ำยังมีการปล้นกันอีกถึงกับยิงกันตายขารถเราได้เล่าให้ฟังทั้งหมดญาติข้างเมียของวิชัยเกิดตาลุกวาวขึ้นถามว่ารถที่ถูกปล้นนี่เป็นรถอะไรผมและวิชัยก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใกล้รถคันที่มีศพตายขารถญาติผู้ใหญ่นั้นเกิดร้อนรนญาติฉันไปสุพรรณเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยพอได้ยินเสียงนั้น เราสองคนก็ตกใจเหมือนกันใครบ้างครับผมถามแม่พวงคุณเชษสามีเขาแล้วก็นายบุญลือหลานชายของแม่พวงกับดวงเดือนหลานสามีเขาเขาบอกว่าเขาจะไปที่สุพรรณบุรีเนี่ยญาติผู้หญิงฝ่ายเมียของวิชัยกล่าวผมกับวิชัยถึงกับร้องเอ๊ะเอ๊ะมีคนอย่างที่ว่าด้วยเหรอเมียวิชัยถามเสียงดังใช่ใช่ช่มีตามนั้นแต่ว่าฉันเองก็ไม่รู้จักนะวิชัยพูด ถ้าจะใช่แล้วละ่ะผมว่าถ้าไปเมื่อครู่เนี้ยใช่แน่นอนเราวิ่งรถมายังไม่เคยสวนกับรถคันไหนเลยนะก็พบรถคันนี้เท่านั้นที่ถูกปล้นเสียงเอะอะโวยวายเกิดขึ้นอีกคราวหนึ่งก็เลยรีบพากันไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เป็นความจริงเป็นญาติของฝ่ายเมียวิชัยนั่นเองมีการร้องไห้กันขมถมเถรริ่เล่าของเราชักสางลงเราทั้งสองต้องรีบกลับไปที่เกิดเหตุกับตารวจอีกครั้ง โดยญาติของเมียวิชัยขอร้องให้ไปก็รู้อยู่ว่าไปช่วยอะไรไม่ได้ศพทั้งสองก็เอากลับยังไม่ได้จนกว่าทางตำรวจจะสิ้นสุดการสอบสวนผมนั่งคิดยืนคิดเรื่องทั้งหมดนี้หรือแม่วันทองของฉันได้ทำการกุริยาห้ามทับตอนนั้นคล้ายกับห้ามทับพระไวยที่จะไปรบกับน้องชายและพ่อส่วนของเรานั้นถ้าไม่เสียเวลาที่ถูกถ่วงไว้ก็คงต้องถูกปล้นไปกับเขาด้วย วิชัยมีปืนคนเดียวแต่ผมไม่มีอาจจะถึงตายก็ได้